ตอนแรกๆ ก, ก็ทําได้ยากมากเพราะจิตใจไม่ค่อยปกติคิดเก่งสรางอยู่ตลอดเวลาจังไม่เคยบังคับมันเลยเมื่อเริ่บังคับเป็นครั้งแรกถึงเป็นการยากแต่อย่าถอยพยายามทาําบ่อยๆเข้าแม้จิตก็จะเกิดความชํานาญในการบังคับจิตเมื่อเกิดความชำนาญแล้วจิตจะสงบนิ่งโดยเร็วและจะให้นิ่งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการ เมื่อก า, บารบังับจิตให้สงบนิ่งได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติตามขั้นสองคือสมาธิได้อย่างสมบูรณ์ต่อจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติขั้นที่สามขั้นที่สามคืออะไรท่านผู้เกิดขั้นที่สามคือปัญญาธรรมาดาจิตที่สงบย่อมเป็นจิตมีกําลังมีความสว่างยิ่งกว่าจิตที่เปล่งั่นท่้น้นอมเอาจิตที่สว่างและมีพลานุภาพนั้น ไปพิจารณาศึกษาค้นคว้าในสิ่งใดจพื่อจะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นสามารถจะรู้สภาพแท้จริงของสิ่งนั้นเมื่อรู้ความจริงอั้นแท้จริงของสิ่งนั้นแล้วความรู้นั่นะจะขับไล่ความโง้อเข่าความหลงเงินไงความยึดเหนี่ยวติดพันออกไปจากจิตใจทนให้จิตใจจะอาจบโดยเสริมขึ้นมากบ้าน้อยบ้างตามกําลังการปฏิบัติของเรา ท่านพิจรณ์คำปฏิบัติขงท่านอาจารย์เ จ, จ้าดีแลพวทำให้ข้าปเจ้าเห็นทางปฏิบัติได้แนละแต่สงสายอยู่ในข้อที่ว่าเมื่อาพมาที่ จ, งจสงบเดีแนละควรจะน้อมไปพิจรารณาอะไรก่อนท่าควรจะพิจรารณาดูตัวเองก่อนสิ่งอื่นข้าราู้ท่พิจริญเพราะตัวเราเองคือรูปย่อของสากลจั ก, กรวาลถ้ารู้ตัวเองแล้ว ก็อาจาจะรู้ษาพลัวจักรวาลด้วยจนพิตารณาแยกแยะตนเองออกแลางละเอียดทั้งส่วนร่างกายและจิตใจเมื่อแยกแยะถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าตัวเหล่านี้ยึดติดจากต้นไม้ภูเขาและสัตว์หลายซึ่งไม่เที่ยนแท้ถาวรเป็นสิ่งที่ทนได้ยากไม่มีสาระอันย่งเยืนอะไรไม่มีตัวเขาไม่มีตัวเรา จนแต่วัตถุธาตุคุณเป็นข้าวเป็นกลุ่มก้อนเชื่อคราวแล้วก็สลายไปเมื่อความรู้จริงเห็นแจ้งเฉลีมีแล้วความยึดถือที่ว่าตัวเราก็หายไปหมดความสงสัยและในเวลาเดียวกันก็เกิดความเชื่อมั่นในวิธีการที่ตนปฏิบัติไม่ไปหลงงมงายในวิธีปฏิบัติแบบอื่นเมื่อถึงขั้นดีแล้วก็เชื่อได้ว่า บรรลุถึงความเป็นพระอริยะขันณฑะบรรลุถึงความเป็นพระอริยะขัณฑะถูกแล้วจิตใจได้ตกถูกกระแสแห่งโลกุตตธรรมและจะไหลตรงไปผูกภายในพา น, านเดินมีทางหวนกลับมาอู่โลกียริสัยอีกขึ้นเป็นทะเลทุก์จะเกิดอีกอย่างมเจ็ดครั้งเท่านั้นต่อจากนั้นก็จะถึง อมตะภาพไม่มีเกิดแก่เจิดตายเป็นสภาพบรมสุขตลอดกาลนิรันดรถ้าเล้นกระไม้ขวาว่าแม้เป็นเครือขัดก็อาจปฏิบัติธรรมเพื่อได้มรรคผลได้เพียเดียวกับพระพิสุสงฆ์ถูกแล้วครือขัดก็อาจจะบรรลมุมรรคผลได้ถ้าเล่นกายนบวชหรไม่บวดก็มีค่าเท่ากันอย่างที่ทรล่าไปด้วยทำไมเป็นครารว่าที่ดีกว่านะ เป็นคราหัตแม้จะมีสิทธิ์บรรลุมรรคผลได้ก็จริงแต่มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้น้อยกว่านักบวชเพราะครหัตมีภารกิจผูกมัดรัดตัวมากไม่มีเวลาพอที่จะปฏิบัติธรรมได้จริงจังมื่อปฏิบัติธรรมได้น้อยโอกาสที่จะบรรลุผลก็มีน้อยแต่พระภิกษุเป็นที่สละภารกิจทางโลกทุกอย่างแล้วตั้งหน้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ย่อมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลมากกว่าเร็วกว่าการบวชเป็นพิกษุได้เปรียบในข้อนี้ค่อยี้แหละทำให้ข้าไปเจ้าอยากบวชแต่เมื่อมีความจําเป็นบวช ไ, ไ, ไ, ไม่ได้ข้าพเจ้าก็จะพึงยาปฏิบัติทำทางท่างที่เป็นข้าหับนี่แหละจะได้ผลแค่ไหนก็แล้วแต่บุญบารมีไม่นี่ข้าพเจ้าขอสนทนากับท่านมานานนะจึงของก ล, ล่าวลา ใบไัยในบริเวณพระอารามที่เคยเขียวคจีได้กลายเป็นสีเหลืองและเร่งหล่นลงถูกคืนเมื่อถูกลมโชยพัดรูปคต่าชนิดอื่นๆก็สลับใบเช่นเดียวกันมองไปทางไหนพบแต่ต้นไม้ป่าจะจากใบเงินต้นโกรนเดือต้นไม้ที่ตายแล้วการไปมาสะดวกพระสงฆ์คนมากในอาราม นี่จากอารามสัญจรไปในทั้งสี่ทิศทำให้ข่าเวริวันารามเนือเหงาดุดวัตรางแต่แผงที่เหลืออยู่ก็มีจานวนน้อยแต่ในวันอุโบโสถแปดค่ำสิบห้าค่ำข้าเวริวนารามก็ยังคึกคักได้วยอุบาสกอุบาสิกามารักษาอุโบโสถี่และฟังธรรมเทศนาแม้แต่องค์พระราชาทิ่เียบพิมพิสาร ก็ยังจะเด็ดมาตรวจราพระอารามและเสนทธนาเป็นครั้งคราววันนี้เป็นวันวิถีที่แปดมีประชาชนมฟังธรรมมากมาย การทำประการแรกนั้นคือทุกข์จากว่าเป็นข้อแรกที่พุทธบริษัทควรทำความเข้าใจให้แจมแจ้งเมื่อเข้าใจแจมแจ้งแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายคล้ายความยินดีในสังขารพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกตัวจึงเป็นก้อนทุกข์อันบริสุทธิ์ ไม่มีอย่างอื่นเสียกนทุกข์เพราะชาติชราพยาธิมรณนะทุกข์เพราะโศกเศร้าเสียใจที่ไรรำพันรับแคนแน่นจวงเพราะพัดพลาดจากคนรักเพราะประสบกับของเกลียดขนทังเพราะความผิดหวังไม่สมปรารถนา ปัญหาจบแล้วทุกเ้าบริษัทพากันกลับเทหาสถานยัเงเหลือแต่เทวมิตรอุบาสกผู้คงแคร์เรียนยังสนทนาธรรมอยู่ขณะที่นั่งสนทนาธรรมอยู่ในธรรมศาลาสังเกตเห็นพระภิกษุสามรุ่เดินเข้ามาในพระอารามและตรงมาทางธรรมศาลาใครกันนะไม่เคยเห็นหน้าจึงจะต้องคอยให้เข้ามาใกล้ซะก่อน จะได้ดูให้ถนัดถนักอ๋อจำได้แล้วพระเทวทัตผู้เรื่องกาตยาเยงของพระพุทธ เ, เจ้านั่นเองข้าแต่ท่านผู้เจริญนักว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าและชาวนรครราชชร์ ที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านแต่ก่อนอื่นข้าจะขอเรียนถามท่านว่าท่านมาจากไหนโดยทนายกลิ่มาแต่ลําพังข้าพรเจ้ามาจากตรีโกสามผีเอ้อท่านคงจะเหนื่อยน่ดหน้อยก็เหนือยอยู่มือนกันจะไม่มากหรอกข้าจะท่านผู้เจริญทุกครั้งที่ข้าพระเจ้าเห็นท่านก็ได้เห็นข้าพระบรมศาสดายละทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นข้าพระบรมศาสดา ก็ได้เห็นท่านด้วยแต่ค่าวนี้ข้าพระเจ้าไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาเวลานี้พระองคประทับอยู่ที่ไหนอยู่ที่โคสิตตารามคนครโกสัมพีพระอัครสาวกทั้งสองคือพระมือคันลาพระสารีบุตรละละย่างนี้อยู่ที่ไหนเด็กพักของพระมหาเถรเจ้าเทวทัพเป็นมนต์มองลงทันทีไรื่องอเกิดขึ้นเย่างนั้นเหร ที่เห็นจะมีลางมาตั้งแต่ท้าแล้วดูกร อ, อุบาสกอัตมาขอถาวหน่อยจะว่าในขณะที่เราเองยังถูกกิเลสัลดริงอยู่รอบดา้านจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกงล้อแห่งสงสารเป็นการส่งควัแล้วลห ที่เราจะไปมัวเป็นห่วงกังวลต่อผู้อื่นเทวมิตรอุบาสกไม่ได้ตอบคําถามพระมหาเถระเจ้าเทวทัตนอกจากจะหันมน้ามองด้วยสายตาแสดงความตังขาในวาระของพระมหาเถระไม่ได้คิดแต่ยังอื่นนอกจากเชื่อว่าพระมหาเถระคงเพื่อธรรมะชั้นสูงที่ให้อุบาสกขออุปาทานความยึดมั่นในบุคคล อุบาทว์ธรรมะย่อมเป็นสัจธรรมเป็นอากาปิกธรรมมีอยู่ประจำโลกตลอดกาลพระพุทธเจ้าจะอุบาติขึ้นหรือไม่อุบาติขึ้นธรรมะก็คงมีอยู่ผู้มีดวงตาคือปัญญาย่อมเห็นธรรมไม่ว่าในการกลายเพราะฉะนั้นพระธรรมจริงสำคัญกว่าสิ่งใดหมดพระพุทธเจ้า และพระสง์ยังมีขึ้นและมีดับแต่พระธรรมยังคงอยู่ในโลกทุกเมือ่อจึงขอให้อุบาสกจงเพ่งสมาธิธรรมทุกเมือ่ออย่าได้ติดยู่ในบุคคลนั้นบุคคลนี้เลยเออเห็นจะต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วนะเชิญข้าพเจ้าให้สา ม, มเณรจัดที่เตรียมไว้แล้ว มันในบุคคลท่านสงสัยอะไรเลยข้าพระเจ้ารู้สึกว่ามีสิ่งที่ผิดปกติอยู่บ้างอะไรที่ท่านว่าผิดปกติคําพูดของท่านคํำพูดของท่านผิดปกติยังไงถึงแม้ท่านจะพูดเกี่ยวกับประดิมัตคำแต่ก็ยังมีร่องรอยแห่งความอิกฉาพยาบาทอยู่อีบาศกอาจจะคิดมากไปกระมังอาจจะเป็นได้ข้าพระเจ้าเป็นคนแช่สังเกตช่างคิดและช่างระแวง บางทีอาจจะมีอะไรผิดปกติอย่างที่ข้าพเจ้าคิดก็ได้ขอให้เราดูกันต่อไปข้าพเจ้าขอนาศการลาละนี่ก็ขํามากแล้วทางบ้านจะรอจะเอื้อพร กลับไปแล้วทึ่ลงจัดธรรมศาลาเดินตรวจตราเทื่รานอารามอย่างที่เคยจะทำมาเป็นประจำคืนนี้ถึงแม้จะเป็นวันขึ้นแปดค่าแต่พ้ะจันขึ้นคึื่อง้นทองฟ้าปลอดเล้งท่อแสงสว่างพอสมควรเดินไปเรื่อยๆตามทางเดินระหว่างกอไผ่จนกระทั่งมาถึงประตูใหญ่ จะถูกปฏิอติของเีลาวดีตั้งอยู่เจ็ดปีแล้วสินะนับต้แต่ลรลาวดีจากไปสูอปรโลกแม้จะเป็นเวลานานแสนนานแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเธอเพิ่งจากไปเมื่อวานนี้เองเธออาจจําำลังคอยอยู่ใน ย, ยี่มานสวรรค์ขั้งใดขั้นหนึ่งบางทีเธออาจจําำลังเพลิเพินอยูอย่ในทิเทสุข และเลียงคนที่เธอรักได้สนิดแล้วก็ได้แต่เรวัตะาคนนี้จะไม่มีวันเลียเธอทุกคืนจะต้องหาเวลาไปเยี่ยนเธอที่สกขยาะทุกคืนก่อนจะเข้านอนจะต้องสวดมดนต์ระลึกถึงเธออยู่เสมอมิได้ขาด ที่พระเวริวนารามที่สุดว่าพระอารามกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาประชาชนชาวราศเครต่างดีใจเพระการที่พระมหาเถระผู้ร่วมศาตะยวงศ์ได้มาประจำอยู่พระเวริวนารามข้าก็เป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธะทุกๆเวลาเย็นประชาชนทุกเพศทุกวัยจ่ายือดอกไม้ที่ขี่เดินไปสู่พระอารามเป็นหมู่ เพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระมหาเทระเจ้าอย่างเช่นวันนี้ดูก่ อ, อุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายจะทรสี่รรประการคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกหนึ่งย่อมเป็นธรรมมีอยู่ประจําโลกพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่ก็ตาม สัจธรรมทั้งสี่นี้ก็ยังเหลืออยู่ทุกข์คือเกิดแก่เก็ดตายเป็นต้นก็มีอยู่เต็มโลกเหตุให้เกิดทุกข์คือสัรหาความอยากมีอยู่ในสันดานของสัตว์ความดับทุกข์ก็เป็นสภาพที่อาจทำให้เกิดนี้ขึ้นได้มักคือทาง มีโองค์แปดสำหรับนําไปสู่ความดับทุกข์ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้จงค้นพบแต่จะธรรมทั้งสี่แล้วก็จงชี้แจงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายรู้เห็นตามความเป็นจริงก่อนการอุบัติของพระพุทธองค์ก็มีมุนีผู้มีปัญญาเป็นอันมากที่เห็นทุกข์แต่ไม่เห็นแั่จตธรรมอีกสามประการที่เหลือที่มีบางคนอาจจะเห็นทุกข์ และเหตุของทุกข์จะไม่เห็นนิโรธความดับและมรรคมุนีบางคนอาจจะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความดับขันแต่ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์มุนีบางคนอาจจะเห็นปัจจรรมครบทั้งสีและกลายเป็นพระปฏเจตพุทะแต่ไม่ประกาศแกคนอิน่หรือประกาศแต่ไม่ตั้งศาสนา ก็เมื่อปัจธรรมเป็นจริงที่มีอยู่ประจำโลกเค่นนี้ปัจจธรรมจรึงเป็นของเก่าแก่กว่าพระพุทธเจา้าและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพบปัจจธรรมแล้วทรงทีบอกคนอื่นพระสงฆ์เป็นแต่ผู้เชื่อถือตามคําบอกกล่าวของพระพุทธเจา้าและดําเนินตามทางสู่ความดับทุกข์เท่านั้นแม้พระพุทธเจา้าเป็นมิพานไปก็ดี เละสงจะมีอันสูญหายไปจากชมพูเทวีก็ดีพระทําอันเป็นสัจธรรมเป็นอาการิกธรรมก็ยังคงอยู่ไม่มีวันตูลสิ้นไปจากโลกแต่อาจจะเลือนหายไปจากความทรงจําของสัตว์ค<ม>ุณ น, น้าแน่นไปด้วยอวิชาสัตว์เหล่านี้แม้จะอยู่กับสัจธรรมทุกขณะลมหายใจ<ม>ก็หาได้รู้จักสัจธรรมไม่มเหมือนช้อนไม่รู้รสแกงเข่นนั้น Thank you. เถระเจ้ ก, ก็ได้เทศนาอันไพเราะทราบจริงเหลือนอย่างเคยประชาชนทุกเทศทุกวั ย, ก, วยก็พากันมาฟังอย่างมากมายดุก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจพุทธก็ดีพระอริยะสาวกก็ดีได้บรรลึกถึงความดับทุกข์เพราะรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมดังกล่าวแล้ว อาจใช่เพราะอย่างอื่นไม่ถึงแม้ท่านทั้งหลายจะพึงถือความดับทุกข์ท่านก็จะต้องรู้จึงเห็นแก้งในสัจธรรมเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการสงควรที่ท่านทั้งหลายจะพึงพยายามเพิกถอนความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าในพระปัฏเจจคิตเจ้าในพระสาวกทั้งหลายก็แล้วมุ่งตรงไปสู่พระธรรมที่เดียว ถ้าท่านทั้งหลายยังติดกิเลสบุคคลท่านจะไม่มีวันเข้าถึงพระธรรมและแดนนิพพาน เทวทัพเทศนาหรือเปล่าอ๋อขว้างขว้างติดต่อกรรมาทุกวันน่ะ嘛เอ้แล้วถามทาไมอ่ะข ว, ว้างวาทของท่านเป็นยังไงอืมห้าวหานมีเสียงวิพาววิจารกันอย่างกว้างขวางบางพวกก็เห็นด้วยบางพวกก็ไม่เห็นด้วยอ๋อแล้วท่านเห็นด้วยรือเปล่าล่ะอ๋อเห็นด้วยแน่นอนเออเป็นเพราะอะไรเนาะในการบรรลุถึงอมรมะธรรมอันสูงสุดนั้น บุคคลจะต้องถอนอุปาทานในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อย่างสิ้นเชิงจะต้องไม่เกอะติดอยู่ในสิ่งใดบุคคลใดทั้งสิ้นแล้วท่านเข้าาเจ่าไม่เห็นด้วยเอเพราะอะไรเพระเาะข้าพเจ้าสรัทธาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่แรกจึงเคารพตการะในพระองค์อย่างมั่นคงเอาละอย่าโมโหกันอยู่เลยไปฟังพระเทวทัพเทศนากันเถอะไปเถไป ยู่ก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายาศาสนาใดๆก็ดีย่อมมีองค์ประกอบสำคัญสองประการ คือคำสอนและผู้สอนชนบางพวกย่อมเลื่อมใสในคำสอนเมื่อเห็นคำสอนถูกต้องมีเหตุผลน่าเชื่อถือก็เลื่อมใสและปฏิบัติตามไม่ถือผู้สอนเป็นสำคัญแต่คนบางพวกย่อมเลื่อมใสในบุคคลผู้สอนนิยงทชงชอบในชาติกำเนิดยุคพรรวันณนะลักษณะท่าทางตั้งเรียงวาจาของผู้สอน โดยไม่คำนึงว่าคำสอนจะเป็นอย่างไรชนประเภทหลังนี้ถ้าผู้สอนที่ตนเลื่องสายตายไปหนีไปหรือคลายความเพียนเวียนไปหาความเป็นคนเลวก็หมดศรัทธาความเลื่องสายไปด้วยฉะนั้นศรัทธาของคนประเภทนี้จึงไม่แน่นอนไม่ถูกต้องทางที่ถูกควรถือคำสอนเป็นสำคัญ ถ้าคำสอนดีมีเหตุผลทนต่อการพิสูจน์เป็นหลักธรรมแม้คำสอนนั้นจะออกจากปากของยาจบก็ควรเชื่อถือปฏิบัติาตาม าสนาข้างหลังงของพระมหาเทราจางทำให้เทศบาลสัดส่วนมากหันไปถือคำสอนสำคัญกับผู้สอนและในเวลาเดียวกันก็เกิดความเลื่อมใสกทานในพระเทวทัตมหาเทราอย่างมากจานวนผู้มาฟังธรรมในธรรมศาลาเพิ่มมางขึ้นทุกวันจนล้นหลามออกไปอย่างป่าไผ่รอบๆธรรมศาลาในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานสงฆ์ ในพระเวรุวานารามก่อนรู้สึก ด, ดีใจที่เห็นประชานชนหลั่งไหลมาสู่อารามท่านดีใจมากนันเหลยท่านเรวตะอ๋อดีใจมากทีเดียวสุภูตักประชานชนหลั่งไหลมาสู่อารามมากมายและดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันที่ดีใจมากที่สุดก็คือว่าเจ้าชายอาชาศัตรูทรงเปลี่ยนพระทยัยหลังจากได้ฟังพระมหาเถระเจ้า เพศนาให้ฟังแล้วเจ้าชายก็ทรงเลื่อมใสในพระพิฆาตศาสนาจริงของท่านตอนปกติเจ้าชายไม่เคยศึพระไทยพระศาสนาไม่เคยเสด็จสู่พระอารามเพื่อฟังธรรมทรงใช้เวลาวันวันให้หมดไปด้วยการเล่นสนุกสนานกับสหายอายริ่งบิดของบรรดามุขมนตรีองคนพระราชาธิบดีเคยพยายามที่จะส่งโอรสไปศึกษาศิละปะวิทยา ในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกแห่งเมืองตากกิลาแต่เจ้าชายไม่ทรงยินยอมจริยาของมกุฎราชกุมารไม่เพียงแต่จะก่อความไม่พอพระทัยให้แก่พระราชบิดาเท่านั้นแต่ยังก่อความวิตกกังวลให้กับปัรดาขราชบริพารและไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินทั่วไปอีกด้วยให้เจ้าชายหันมาเลื่อมใสในพระศาสนาพระนกชนนีและไพ่ฟ้าค่าแผ่นดิน จึงยินดีปรีดาทั่วกันและพระราชาธิบดีถึงพิสารดีใจเป็นพิเศษถึงกับประทานพรให้ประทานพอรอะไรอ่ะท่านเรวตถพระองค์ประทานพรว่าถ้าเจ้าชายปรารถนาจะเบิกพระราชทรัพย์จากพระคลังหลวงเพื่อนําไปประกอบการกุศลก็อาจจะเบิดได้ตามพระประสงค์ข้าชายได้รับพรนั้นทำยังไ่เมื่อได้รับพรนั้นแล้ว ก็ให้จัดสําหรับห้าร้อยที่นํามาถวายพระเทวะทัตมหาเถระเจ้าเป็นประจําทุกวันบางวันก็เสด็จไปเฝ้าพระมหาเถระเจ้าและพัฒนาปราศัยอยู่เป็นเวลานานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายและพระมหาเถระเจ้าเป็นไปอย่างสนิทสนมบางครั้งที่เขาไปเจ้าเห็นทั้งสองเข้าไปพัฒนากันสองต่อสองในป่าภายัยปล่อยให้ข้าราชบริพารคอยอยู่ข้างนอก ไม่เพียงแต่เท่านั้นบางวันพระมหาเถระเจ้าก็เข้าเป้าเจ้าชายถึงในพระตำหนักขี่พระองค์และสนทนากันอยู่ตามลำพังจนค่า ม, มืดจึงกลับสู่อารามผมแค่นี้แล้วอดตีใจไม่ได้ที่จะทานมีพระไทยไปในพระศาสนาในขณะเดียวกันก็คิดว่าคิดอะไรเหนอะท่านกุยเจริญตลอดเวลาที่พระเทวทัตมหาเถระเจ้า ยืนในพระเวฬุวันารามรู้สึกว่าศักดิก์ศรีของข้าพเจ้าน้อยลงดิดแสงดาวเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสู่ทองฟ้าเป็นยาพิริหารของพระเถระเจ้าทําให้ประชาชนลืมข้าพเจ้าหมายกว่าว่าข้ามีราวนะข้าพเจ้าไม่ได้อีกข า, ากลับรู้สึกดีใจซะอีกที่ทําให้ข้าพเจ้าว่างจากการบริหารหมูนะ่คณะและว่างจากการสแสดงธรรมะมากขึ้นเพราะเหตุนี้นะ่ะ วิญญาณการท่องเที่ยวจึงได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลือนหายไปนานเป็นเวลาเกือบสิบปีท่านพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่งไรข้าพเจ้าอยากจะออกท่องเที่ยวท่านจะไปจากที่นี่งั้นหรอการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนามานานแล้วขณะนี้พระเทวทัพมหาเถระก็ได้มาอยู่ที่นี่เท่ากับมาช่วยยกภาระอันหนักหน่วงลงจากบาขันเทศนาสั่งสอนประชาชนได้รับผลเป็นเลตียิ่งคนได้นำลาบส ก, การะมากมายมาสู่พระภิกษุสงฆ์และขจัดความเกลืนเลืในด้านพัฒตาหารให้หมดไปและการสำคัญที่สุดก็คือ ท่านได้ปลูกสัทธานในพระศาสนาของชาวบ้านให้กลับเตนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าท่าน<ม>ถึงแม้ข้าพเจ้าจะปสมบทในพระพเทธศาสนามามากกว่าสิบฤดูฝนแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้ชั้นต่ำสุดคือโสดาบันยังมีันดานอันหนาแน่นด้วยอวิชชาตัญหาอุ ป, ปาทานยังไม่พ้นไปจากกงล้อแห่งสงสารวัตแต่เพราะยึดมั่นอยู่ในศีล จำเพงศาสน ก, กิจส่วนรวมอันเป็นกุศลกรรมอยู่ไม่ว่างเว้นพระานิสง์คงจะส่งผลให้ได้บังเกิดในสุคติภพครับ